ก้าวสู่ขั้นมีชีวิตอิสระเพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้ในการนำคนนี้พัฒนาผ่านขั้นต่างๆเหล่านี้งานสำคัญก็คือการสั่งสอนแนะนำและผู้ที่ถือกันว่าเป็นหลักในการทำหน้าที่นี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์การพัฒนาหรือก้าวหน้าในทางจะไปได้ช้าหรือเร็วมากหรือน้อย ยอมขึ้นต่อปัจจัยทั้งฝ่ายผู้แนะนำสั่งสอนและคนที่รับคำสอนผู้สอนย่อมมีความสามารถมากน้อยต่างกันคนที่ฟังก็เป็นผู้ก้าวเดินออกจากจุดเริ่มต้นต่างๆกันมีความพร้อมหรือความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ไม่เหมือนกันจริงอยู่จุดหมายของการสอนและการก้าวเดินย่อมอยู่ณขั้นที่สามถ้าผู้สอนมีความสามารถ จำนานในอนุสาสนีและคนรับคําสอนพร้อมอยู่แล้วก็อาจใช้เพียงอนุสาสนีอย่างเดียวพาเก้าวครั้งเดียวจากขั้นที่หนึ่งเข้าสู่ขั้นที่สมทันทีพระยิงเชี่ยวชาญในอนุสาสนีมากก็ยิ่งสามารถช่วยคนรับคําสอนเป็นผู้พร้อมขึ้นด้วยและเก้าเร็วได้ด้วยแต่พระทุกรูปมีใช่จะเก่งอนุสาสนีเหมือนกันหมด การผ่อนปรนจึงเกิดมีขึ้นตามปกติในการนำคนก้าวออกมาและเดินหน้าไปสู่ขั้นต่างๆนั้นผู้สอนจะต้องเข้าไปหาให้ถึงตัวเขาณจุดที่เขายืนอยู่หรือไม่ก็ต้องหาอะไรหยิบยื่นยนไปให้เพื่อเชื่อมตัวให้ถึงกันและจึงดึงเขาออกมาได้เมื่อผู้สอนไม่มีความสามารถ ปราศจากเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษก็ต้องเข้าไปให้ถึงตัวเขาแล้วพาก็เดิอนออกมาด้วยกันกับตนโดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยู่นั่นเองคงจะเป็นด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงมีการผ่อนปรนในรูปต่างๆซอยละเอียดออกไปอันจัดรวมเข้าในขั้นที่สองของการพัฒนาหลักการของการผ่อนปรนนี้ก็คือ การใช้สิ่งที่เขายึดถืออยู่เดิมนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นวิธีเริ่มอาจทำโดยแกะสิ่งที่เขายึดหรือเกาะติดอยู่นั้นออกจากฐานเดิมแล้วหันเหใบหน้ามาสู่ทิศทางที่ถูกต้องพร้อมทั้งใช้สิ่งที่เขายึดเกาะ อ, อยู่นั้นเป็นเครื่องจุงเขาออกมาจนพ้นจากที่นั้นวิธีการนี้เห็นได้จากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยียบพื้นผ้าเรื่องมีว่าคราวหนึ่ง เจ้าชายโพธิราชกุมารสร้างวังแห่งหนึ่งเสร็จใหม่จึงนิ้มวลพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันที่วังนั้นเจ้าชายได้ให้ปูลาดผ้าขาวทั่วหมดถึงบันไดขั้นที่หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสเด็จถึงวังก็ไม่ทรงเหยียบผ้าจนเจ้าชายโปรดให้มวนเก็บผืนผ้าแล้วจึงเสเด็จขึ้นวังและได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ห้ามภิกษู่เหยียบผืนผ้า ต่อมาหญิงผู้หนึ่งซึ่งแท้งบุรใหม่ๆได้นิมนต์พระมาบ้านของตนแล้วปูผ้าผืนหนึ่งลงขอร้องให้พระภิกษุทั้งหลายเหยียบเพื่อเป็นมงคลภิกษุเหล่านั้นไม่ยอมเหยียบหญิงนั้นเสียใจและติเตียนพลทนนาว่าภิกษุทั้งหลายความทราบถึงพระพุทธองค์จึงได้ทรงวางอนุบัญญัติอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผ้าได้ ในเมื่อชาวบ้านขอร้องเพื่อเป็นมงคลแก่พวกเขาพุทธบัญญัตินี้น่าจะเป็นสาเหตุหรือข้ออ้างอย่างหนึ่งที่ทําให้พระสงฆ์ได้โ อ, อนอ่อนผ่อนตามความประสงค์ของชาวบ้านเกี่ยวกับพิธีกรรมและสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลต่างๆขยายกว้างออกไปเปิดรับเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้า ม, ามามากมายจนบางสมัยรู้สึกกันว่าเกินขอบเขตอันสมควร เรื่องของเจ้าชายโพธิราชกุมาร น, นั้นอธิกถาขยายความว่าเจ้าชายโพธิไม่ทรงมีโอรสหรือทิดาได้ทรงให้ปูลาดผ้าครั้งนั้นโดยตั้งความปรารถนาว่าถ้าจะทรงได้โอรสก็ขอให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบผ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเจ้าชายจะไม่มีโอรสทิดาจึงไม่ทรงเหยียบและได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุทั้งหลายเหยียบพื้นผ้า เราสทรงประสงค์จะอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในภายหลังเพราะในพุทธการมีภิกษุที่รู้จิตผู้อื่นอยู่มากภิกษุเหล่านั้นย่อมเหยียบหรือไม่เหยียบได้ตรงตามความคิดของชาวบ้านเจ้าของผ้านั้นแต่นานไปภิกษุหลังพุทธการทําไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจชาวบ้านก็จะตีเตียนเอาว่าพระสมัยนี้ไม่เก่งเหมือนอย่างสมัยก่อนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ เป็นการช่วยคุ้มครองภิกษุรุ่นหลังทั้งหลายและอธิบายต่อไปว่าในกรณีที่หญิงแท้งไปแล้วหรือมีคันแก่เขาขอเพื่อเป็นมงคลจึงเหยียบได้ถ้าพิจารณาตามแนวของอัจกราอาจมองเห็นความต่อไปว่ากรณีของเจ้าชายโพธิเป็นการบนบานขอลูกจึงทรงบัญญัติไม่ให้เหยียบส่วนกรณีของหญิงแท้งบุตร เป็นการขอเพื่อเป็นสิริมงคลเท่านั้นจึงทรงอนุญาตให้เหยียบอย่างไรก็ดีถ้าไม่ดูอัจฉกฐาิาพิจารณาอย่างพื้นพื้นตามเรื่องในบาลีจะสันนิษฐานความได้ใหม่ที่ดูจะสมเหตุผลอยู่มากกว่าที่ไม่ทรงเหยียบผ้าที่วังของเจ้าชายโพธิก็พระทรงรักษาบรรญาติพระองค์เสด็จมาถึงยังไม่ได้ล้างพระบาทจึงไม่ทรงเหยียบ เพราะไม่ประสงค์จะให้ผ้าเปื้อนสกปรกซึ่งภายหลังมีอนุบัญญัติต่อไปด้วยว่าถ้าภิกษุลัางเท้าแล้วอนุญาตให้เหยียบได้ส่วนกรณีของหญิงนั้นทรงยกเว้นให้เพราะเขาขอร้องเองโดยมีเหตุผลว่าต้องการมงคลสำหรับคำว่าวัตถุมงคลในที่นี้ มงคลเป็นคนละอย่างกันกันกบเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์แต่นำมารวมไว้ในที่นี้ด้วยเพราะเมื่อพูดถึงในทางปฏิบัติแล้วก็มีข้อพิจารณาคล้ายคลึงกันเช่นในแง่ผลดีผลเสียและการวางท่าทีที่ถูกต้องเป็นต้นแต่ว่าโดยความหมายอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของตัวผู้ทาอิทธิปาฏิหาริย์เองส่วนมงคล มีที่มาได้หลายแง่เช่นอาจเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งที่ให้มงคล น, นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อิทธานุภาพหรืออำนาจพิเศษเป็นของตนเองก็ได้อาจเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นเป็นสื่อหรือทางผ่านของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เร้นลับอยู่ต่างหากก็ได้หรืออาจเชื่ออย่างประณีตขึ้นมาอีกว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามความสุข ความบริสุทธิ์จึงเกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมงคลขึ้นมาในตัวเองอย่างที่ชาวบ้านจำนวนมากเชื่อต่อพระสงฆ์เป็นต้นก็ได้มงคล น, นี้มีส่วนไปเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องติรชานวิชาไม่น้อยซึ่งติรชานวิชาเป็นคนแล้วเรื่องกันกับอิทธิปาฏิหาร เพราะคนเห็นติรชานวิชาบางอย่างเป็นแหล่งที่มาของมงคลติรชานวิชานั้นภิกษุใช้เป็นเครื่องเลี้ยงชีพสแสวงหาลาบก็เป็นมิชชาชีพจัดเป็นความบุกร่องด้านศีลโดยมากรวมอยู่ในเรื่องมหาศีลคําว่าติรชานวิชาหรือดิรชานวิชาในความหมายสําหรับภิกษุ คือความรู้ที่ควางตัวทางพระนิพพานเช่นรู้ในการทำสเสน่รู้เวทมนต์ที่จะทำให้คนถึงวิบัติเป็นหมอผีหมอดูหมองูหมอยาทำพิธีบวงสรวงบนบานแก้บนเป็นต้นเมื่อเรียนหรือใช้ปฏิบัติตนเองก็ลงเพลินหมกมุน่นและส่วนมากทำให้ผู้คนหลงงมงายไม่เป็นอันปฏิบัติกิจหน้าที่หรือประกอบการตามเหตุผล โดยเฉพาะตัวพระภิกษุก็จะขวางกั้นขัดทวงตนเองให้ไม่มีกำลังและเวลาที่จะบำเพ็ญสมณธรรมการงดเว้นการเลี้ยงชีพด้วยติรชานวิชาหรือดิรชานวิชาหรือเดรชานวิชาเป็นศีลของพระภิกษุตามหลักมหาศีลซึ่งมีมาในที่คานิกายศีลขันธวัก สนี้สำเร็จด้วยการปฏิบัติตามสิกขาบทในพระวินัยปิดกข้อที่กำหนดแก่ภิกษุทั้งหลายมีให้เรียนมีให้สอนเดียร์ชานวิชาทั้งแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายเช่นเดียวกันปราชสมัยใหม่บางท่านเห็นว่าความอ่อนอ่อนผ่อนตามจนเกินไปเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาและลักษณะ น, นี้ นับว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยในข้อนี้ผู้เขียนขอแทรกความเห็นว่าความโอนอ่อนพ่อนตามโดยไม่วางหลักและขอบเขตของตนไว้เป็นจุดยืนที่แน่นอนถึงจะเป็นจุดอ่อนที่เสียหายแต่พุทธศาสนามีจุดยืนที่แน่นอนเช่นเรื่องสิ่งเหนือสามัญวิสัยนี้ก็จะมองเห็นหลักการและขอบเขตที่เป็นจุดยืนได้ชัดเจน ปัญหาอยู่ที่ว่าเราเข้าใจจุดยืนของพุทธศาสนากันดีหรือไม่อีกประการหนึ่งความอ่อนอ่อนผ่อนตามนั้นถึงจะมีจุดยืนก็ยังมีผลเสียอยู่บ้างแต่กระนั้นผลดีที่ได้จากเหตุผลแง่อื่นเช่นที่วิจารณ์ไว้ในหน้าแรกของตอนนี้ก็นับว่ามากพอคุ้มได้อย่างไรก็ตาม ถ้าเข้าใจหลักการที่กล่าวมาข้างต้นดีแล้วการปฏิบัติตามหลักการนั้นด้วยปฏิบัติให้ตรงตามพุทธบัญญัตินี้ในแง่ที่ว่าทำต่อเมื่อเขาขอร้องด้วยความผิดพลาดเสียหายและความเฟอเฟื อ, อเลยเถิดก็คงจะไม่เกิดขึ้นส่วนทางด้านเทวดาความผ่อนปรนในระดับพัฒนาการขั้นที่สองก็เปิดโอกาสให้ชาวพุทธ ผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแต่เดิมแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เทวดาได้ต่อไปถึงจะทำพลีกรรมแก่เทวดาก็สนับสนุนเช่นเรื่องเทวตาพลีการทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นข้อหนึ่งในพลีห้ามีมาในอังกุตรานิกายจตุการนิบาทและอังกุตรานิกายปัญจาการนิบาศอย่างไรก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่ว่านี้เป็นเรื่องของเทวดาเองผู้อุทิศกุศลไม่ต้องไปคิดหวางเอาหน้าที่ของเรามีเพียงตั้งจิตเมตตาแผ่ความดีให้เท่านั้นสำหรับคนที่มีความเข้าใจในหลักการนี้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อเขานึกถึงเทวดาก็จะนึกถึงด้วยจิตใจที่ดีงามมีแต่ความปรารถนาดี เมื่อทำความดีหรือทำสิ่งใดที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลจะแผ่บุญกุศลนั้นไปให้แก่เทวดาด้วยก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรมีแต่จะส่งเสริมคุณภาพจิตของตนและแผ่ความดีงามร่มเย็นให้กว้างขวางออกไปในโลกเมื่ อ, อยังก้าวไม่พ้นจากพัฒนาการขั้นที่สองสู่ขั้นที่สมอมยู่ตราบใดหากยังรักษาความสัมพันธ์ ให้อยู่ภายในหลักการแห่งความอยู่ร่วมกันด้วยดีนี้ได้ไม่ถลากลับไปสู่การประจบเอาใจหรือเรียกร้ององ้อนวอนการกระทําต่างๆก็จะรักษาตัวมันเองให้อยู่ภายในขอบเขตที่จะไม่เกิดผลเสียหายทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมอีกทั้งจะได้ผลดีทางจิตใจเป็นกำไรอีกด้วย